ถามเคยหวาดกลัวคำขู่ในจดหมายลูกโซ่ยอมทำตามคำสั่งโดยดีเพราะคุณแม่เตือนว่าท่านเคยได้รับจดหมายแล้วไม่ยอมส่งก็ปรากฏว่าโดนโกงเงินและมีเหตุให้เสียทรัพย์ไปต่างๆนานาเป็นไปตามที่จดหมายขู่ไว้ถ้าไม่ช่วยส่งต่อจะเสียลาบแต่หากทำตามโดยดีจะเกิดลาบอย่างใหญ่อย่างเนี้ยดิฉันจะต้องพลอยติดร่างแห är, ในฐานะผู้ส่งจดหมายลูกโซ่กับเขาด้วยหรือเปล่าตอบ กรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมในที่นี้เจตนาของคุณไม่ได้คิดหลอกลวงแต่ตั้งต้นด้วยความกลัวกับทั้งเชื่อจริงๆว่าถ้าไม่ทำตามคำขู่แล้วจะเดือดร้อนเมื่อใจคุณไม่ได้เล็งไปที่การคิดหลอกลวงกรรมของคุณจึงไม่ใช่การมุสาอีกทั้งคุณไม่ได้เป็นต้นคิดมุกหลอกลวงด้วยตนเองกรรมของคุณจะไม่ใช่ข่มขู่หรือใช้ความหวังดีของใครเป็นเครื่องมือแต่แน่นอน จดหมายย่อมเขียนเสร็จด้วยกรรมไม่ใช่เสร็จด้วยการไม่ทำอะไรเลยในที่เนี้ยคุณต้องทำกรรมอะไรบางอย่างแน่นอนประการแรกคือจำเป็นต้องคัดเลือกรายชื่อคนรู้จักหรือคนแปลกหน้านั่นจะเป็นเป้าหมายของการรับจดหมายลูกโซ่ตรงนี้คุณสร้างผู้เคราะห์ร้ายขึ้นมากลุ่มหนึ่งด้วยการตัดสินใจเลือกของคุณเองเมื่อสร้างผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่รู้อิโนโออินเน คุณย่อมกลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่รู้อิโนโนอิเนในภายหลังเช่นกันหากคุณฝืนใจจำใจไม่สบายใจรู้สึกผิดและนึกสงสารกลุ่มเหยื่อของคุณกับทั้งจำกัดภาระของคุณอยู่แค่กลุ่มเป้าหมายไม่ถึงสิบคนหาได้มีความอยากให้พวกเขากระจายจดหมายต่อไปอีกอันนั้นก็นับว่าเจตนามีกำลังอ่อนผลของกรรมจะไม่รุนแรงนัก เช่นอาจถูกหลอกให้เสียประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอย่างน่าเจ็บใจและไม่ถึงกับเสียหายย่ำแย่เท่าใดนักแต่หากคุณทำไปด้วยความรู้สึกอยากผลักภาระไม่รู้สึกผิดไม่มีความเห็นใจกลุ่มเหยื่ออันนั้นเจตนาก็มีกำลังมากขึ้นกว่าข้อก่อนผลของกามอาจหนักขนาดทำให้จุกจนหน้าเขียวเข้าให้ได้เหมือนกันแต่สมมติว่ารู้ทั้งรู้อ่านจดหมายรูปโซครั้งแรก ก็ทราบทันทีว่าเป็นเรื่องหลอกแล้วยังอุตสาห์ชื่นชมตามต้นคิดว่ามีไอเดียลวงโลกที่สมจริงสมจังเกิดนึกสนุกอยากส่งไปหลอกชาวบ้านตามต้นคิดด้วยเจตนาให้เกิดความแพร่หลายยิ่งยิ่งขึ้นอย่างนี้กำลังเจตนาจะกล้าแข็งเทียบเท่ากับต้นคิดเองทีเดียวเราะครบองค์ประกอบกรรมของผู้ริเริ่มตั้งต้นจากความยินดีเต็มใจตามด้วยการมีเจตนากล่าวคามุสา มีการพยายามลงมือเขียนมีการลงมือส่งจดหมายและแน่ใจว่าจดหมายจะต้องถึงผู้รับกับทั้งคาดหมายได้ว่าอย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งในสิบที่หลงเชื่อและเผยแพร่ถ้อยคําลงโลกต่อไปอีกกรรมจะสมบูรณ์ครบวอ จ, จ, จรจริจรงๆเมื่อมีผู้เสียหายเกิดขึ้นด้วยสมมติว่าคุณส่งจดหมายแล้วเผอิญผู้รับทั้งหมดตายไปแล้วก็ได้ชื่อว่าคุณยังทากรรมไม่สาเร็จ แม้ว่ารืเริ่มด้วยเจตนาที่กล้าแข็งก็ตามกรณีของคุณขอให้ทําใจให้สบายเถอะครับแน่นอนว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ค่อยสู้ดีแต่คุณก็ทํากรรมดีเพื่อละลายมันได้กรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับการหลอกลวงคือการให้ความรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจที่ถูกต้องหากเคยส่งจดหมายให้เจ็ดคนก็อาจส่งกลับไปอีกทีเป็นคําขอโทษบอกพวกเขาว่า คุณเพิ่งรู้ว่าที่แท้จดหมายลูกโซ่ไม่มีมูลความจริงใดๆถ้าให้ดีกว่านั้นคืออาจส่งหนังสือธรรมะเล็กๆหน้าไปสักเล่มหนึ่งที่คุณเห็นว่าทําให้คุณตาสว่างได้มีความกระจ่างในสัจจะอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าค้นพบได้ผมคิดว่าจะลบมวลทินทางใจออกไปได้อย่างหมดจดเพราะคราวเนี้ยคุณทําอย่างรู้ทำอย่างมีความเบิกบานซึ่งตามธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ากําลังของกุศล ย้ำอยู่เหนือกำลังของอกุศลครับท น, นกันสิ่งที่เธอนน้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องคุ้มต้องนลรูไราเหตุผลไอ้แต่โทษ ฟ, ฟ้าทอดาวอาในความจริงที่เป็นทุกอย่างด้รับแล้วเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตู้